มาแล้วไมโครโฟนหน้าตาแปลกๆนะกะระยะไม่ถูกเอาถ่ายให้เสร็จหน้าถ่ายไทยกำลัง เ, เทศอย่าถ่ายนะธรรมะหายหมดนะธ ร, ธรรมะของผู้ปฏิบัตินะมันไม่ได้มีการเตรียมสคริปต์ไว้เป็นการถ่ายทอดธรรมะจากจิตไปสู่จิตงั้นอย่างถ้าเราไปฟัง ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วก็ภาวนาของเราไปธรรมะอะไรสมควรแก่เราเนี่ยในขณะใดเราสมควรรู้นะมันก็จะแจ้งขึ้นมามันจะไม่เหมือนการเรียนปริยัติการเรียนปริยัตเนี่ยต้องฟังแล้วก็ต้องคิดต้องจดเอาไว้อะไรเงี้ยสงสัยต้องถามอะไรนั้นเรียกสุจีปูลิ่อะไรนั้นนะครัแต่สมัยเด็กๆก็ต้องคิดอย่างนั้น แต่ธรรมะของการปฏิบัติเนี่ยให้เราปฏิบัติไปเลยลงมือปฏิบัติไปในขนาดนี้เลยแล้วก็ฟังเล่นๆไปไม่ต้องฟังเอาเนื้อหาสาระอะไรหรอกเพราะหลวงพ่อพูดอะไรซึ่งหาสาระยากส่วนมากหลวงพ่อพูดกี่ทีกี่ทีก็เรื่องเดิมนะเรื่องเจริญสติไม่มีเรื่องอื่นหรอกหลวงพ่อก็ยังแปลกใจว่าทําไมพวกเราทนมากเลือกิทนฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกน แทจริงเรื่องเจริญสตินะสำคัญมากถ้าชาวพุทธเราไม่รู้จักการเจริญสตินก็เรียกว่าไม่รู้จักศาสนาพุทธจริงๆละแค่ทาทานรักษาศีลทาสมาธิอะไรนี่ศาสนาอื่นเขาก็มีส่วนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะการมีสติรู้กายรู้ใจไม่มีในศาสนาอื่นพวกเราไม่ค่อยเรียนเรื่องนี้น่าเสียดาย ดังชาวพุทธจะต้องศึกษาเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเพราะการเจริญสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะทําให้จิตใจของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าไม่มีสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรอย่างมากที่สุดมันก็แค่ข่มกายข่มใจให้มันสงบเรียบร้อยมีความสุขมีความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่สามารถแก้ารากเง่าของปัญหาในจิตใจของเราได้ พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับสติปัฏฐานมากถึงขนาดท่านกล้ารับรองเลยว่านี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวแลวท่านก็ยืนยันด้วยว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกยังไม่ว่างจากพระรหันแต่ถ้าปราศจากการเจริญสติปัฏฐานอย่าว่าแต่พระรหันพระโสดาก็ไม่มีงั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันมีคำอยู่หลาคําว่าสติคำานึงคำว่าปัฏฐานหนึ การมีสติใครๆก็คิดว่าตัวเองมีสติในความจริงไม่มีสติหรอกในความจริงแล้วคนทั้งโลกนี้หลงอยู่แต่ในโลกของความคิดคิดทั้งวันคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับไปก็คิดอีกนะเรียกว่าฝันความคิดตอนหลับเรียกว่าฝันไปแล้วเราก็คิดทั้งวันคิดทั้งคืนในขณะที่เราคิดไปแล้วเราจะลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่นั้นเรียกว่าไม่ได้ทาสติปัฏฐาน แต่อย่างสมมติเราอยากทาบุญอยากใส่บาจิตของเราเป็นกุศลอยากช่วยเหลือคนอะไรนี้จิตเป็นกุศลมีสติแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยต้องมีกายมีใจเป็นฐานเครื่องระลึกของสติต้องรู้กายต้องรู้ใจถ้าพ้นจากการรู้กายรู้ใจไม่เรียกว่าสติปัฏฐานเรารู้กายรู้ใจเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจพวกเราที่ไปรู้กายรู้ใจส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเอาความจริงของกายของใจนะ แต่มุ่งบังคับกายบังคับใจเช่นนั่งยังไงจะไม่เมื่อยหรือเมื่อยแล้วเราจะนั่งยังไงนะให้ทนได้ทนนั่งไปจนกระทั่งหายเมื่อยนะเรียกว่าทะลุเวทนาข้ามเวทนาอะไรเนี่ยหรือทำยังไงเราจะนั่งยังไงให้จิตของเราสงบอยู่อย่างเงี้ยหลายๆวันนิ่งสงบสบายอยู่เรื่อยๆไปนี่เราคิดแต่เรื่องจะบังคับกายบังคับใจอย่างเราฝึกจิตใช่ไหมจิตของเรามีธรรมชาติวิ่งไปวิ่งมาฟุ้งซ่าน เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นริมรถไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนี่ธรรมชาติของจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพรอเราคิดเรื่องปฏิบัติเราก็จะทํำยังไงให้มันนิ่งไม่ให้มันคิดบางคนมาถามว่าทํำยังไงจะไม่คิดเรื่องอะไรจะไม่คิดเราไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ก้อนหินนี่จะได้ไม่คิด จิตมีหน้าที่คิดยังไงจิตก็ต้องคิดจิตของพระราหันก็คิดไม่ใช่ไม่คิดนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ตัวเองผิดธรรมดาแต่เราจะเรียนรู้กายรู้ใจนะมีสติตัณฐนมีสติรู้กายมีสติรู้ใจชวนเห็นความจริงของกายของใจความจริงของร่างกายเป็ น, เ ป, นเป็นวัตถุร่างกายเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเราต้องมีสติขึ้นมาใจเราตั้งมั่นเราก็จะเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุญญ่นยนต์ตัวหนึ่ง นะยืนเดินนั่งนอนขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปได้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจริงๆเป็นวัตถุธาตุเรายืมของโลกมาใช้เบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาเป็นจุดตั้งต้นหลังจากนั้นก็กินอาหารกินน้ำํำนะหายใจอะไรนี่เอาธาตุของโลกเข้าไปเลี้ยงให้มันตัวโตวขึ้นมาสุดท้ายก็คืนให้โลกไปอีก นี่ดูลงมาในร่างกายนะมัมีสติรู้กายเราก็เห็นจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นวัต ถ, ถุเป็นก้อนธาตุแล้วก็ไม่ใช่ก้อนธาตุที่ดีที่พิเศษนะเป็นก้อนธาตุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะยังเด็กยังนมยังสาวไม่ค่อยรู้สึกนะแต่พอแก่ๆนะนั่งเฉยๆก็เมื่อยนะดีไม่ดีนั่งเฉยๆคอเครล็บเฉยๆก็ได้นะเคยเจอ แม่ชีน้อยแม่ชีพิมพาที่หินบักเป่งแม่ชีพิมพาภาวนาเก่งนะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนะี่ยสมัยหนึ่งหลวงปู่มั่นถึงขนาดบอกพระว่าถ้าผ่านไปทางนี้นะให้ไปเยี่ยมแม่ชีน้อยบ้างนี่สอนบอกขนาดนี้คือถ้าท่านเป็นผู้ชายนะท่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่องค์นึงนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่จะเสียเปรียบไม่มีใครค่อยนับถือหรอกตัง้งๆที่เก่ง แม่ชีน้อยก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าวันหนึ่งหลวงปู่เทศมาเยี่ยมท่านอยู่วัดเดียวกันนะเป็นผู้เท่าสองคนในวัดหลวงปู่เทศก็มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยโยมมาอารัธนาท่านให้มีอายุร้อยปีท่านบอกว่าโอ้ยไม่เคยเท่าหรือไม่เคยแก่สิถึงมาพูดอย่างนั้นคนแก่นะอยู่เฉยๆก็ก็ไม่สบายเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยเหนื่อยเนืกายมันทุกข์นะตอนนี้ความยังหนุ่มยังสาวมันหลอกลวงมันบังไว้ ถึงจุ น, งนะมันจะเห็นนะมันชำรุดสุดโทรมลงไปนะพอขึ้นเลขสนี่ก็เริ่มสทมนะเลขหนะ้าเนี่ยโทมจริงๆแข็งแรงที่สุดจนะไม่เกิน35เกิน35นะี่ก็เริ่มจํารุดสุดโทรมเป็นลําดับลําดับไปเนะี่ยถ้าเรามามีสตินะมีวิธีปฏิบัติคนหนุ่มคนสาวคิดดูซิว่าเราไม่ค่อยทุกข์จริงไหมจริงลองนั่งนะลองนั่งนิ่งๆนั่งนานๆเดี๋ยวจะเห็นเลยนั่งแล้วก็ทุกข์นะ มันต้องปวดต้องเมื่อยเนี่ยต้องขยับแะต้องขยับไปขยับมาแก้ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้อยู่ในร่างกายนะนอกจาจะเห็นมันเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราคือเห็นอนัตตาแล้วยังเห็นความเป็นทุกข์ได้ง่ายก็มีความทุกข์บิบขั้นหรือเราหายใจก็ได้ลองหายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะอย่าหายใจออกจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เองนะหรือหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะทุกข์หรือไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เอง พอเราหายใจออกไปมากๆใช่ไ้มทนไม่ได้แล้วทุกต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกนะหายใจเข้ามากๆทุกอีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกอีกกลั้นลมหายใจไว้นานๆก็ทุกอีกเนี่ยมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถคนไหนทําสติปฐานด้วยการรู้ลมหายใจอานาปนสติแล้วก็ตั้งดูกายนี้มันหายใจไปนะเห็นก้อนธาตุหายใจไปก็ได้ รู้ว่ามันหายใจเพื่อแก้ทุกข์ก็ได้นะรู้ทำอิริยาบถ4ีรู้อิริยาบถสี่ก็เห็นอีกมีอิริยาบถสี่ก็เพื่อแก้ทุกข์นั่งนานก็ต้องไปเดินบ้างอะไรบ้างแก้ทุกข์นอนก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพื่อแก้ทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้ไปหรือเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่วัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวนี่เห็นอนัตตาอย่างนี้ก็ได้เะฉนั้นสติปัฏฐานถ้าจะให้เป็นวิปัสสนาก็ต้องเห็นการเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะ ลำพังเห็นกายเห็นใจเฉยๆเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสนามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนียังไม่ใช่วิปัสนานะจะต้องเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์ด้วยถึงจะเป็นวิปัสนาจริงๆเพราะว่าวิปัสนาคือการเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นความจริงอย่างวิเศษเลยว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราเพอเห็นซ้ำๆๆนะถึงจุดหนึ่งจะได้พระโสดาบันเพราะพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรา นั้นเราหัดเรียนเรื่องสติปัฏฐานให้ดีนะเราต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจสติเกิดจากอะไรเนี่ยก็ต้องเรียนนะหลวงพ่อมีหนังสือให้อ่านนะมีซีดีให้ฟังอะไรเนี่ยไปฟังเอาเองก็แล้วกันนะไปฟังไปอ่านเอาจะฟังเรื่องอะไรเนาะจะดูใจเหรอดูใจก็ดูไปจิตใจไม่เที่ยง ถ้าดูร่างกายดูไปร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ดูง่ายดูว่าร่างกายไม่เที่ยงดูยากหน้าตากว่ามันจะเปลี่ยนต้องใช้เวลาหลายวันนีแต่ดูจิตใจนะจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วก็กระทบอารมณ์แ ต, ian, แต่ละครั้งจิตใจก็ไม่เหมือนกันอย่างตาเรามองเห็นเห็นคนนี้ใจเราชอบเห็นคนนี้ใจเราเกลียดเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนนะนะดังั้นดูจิตใจจะเห็น อันนี้จังง่ายแล้วดูจิตใจก็เห็นอนัตตาได้คือเห็นว่าเราบังคับไม่ได้จิตจะสุขก็สั่งให้สุขไม่ได้นะสุขแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จริงหรอกจิตจะทุกข์ห้ามมันก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เี่จิตจะเป็นกุศลจะเป็นอกุศลห้ามไม่ได้เท่านั้นเลยสั่งไม่ได้การที่ควบคุมบังคับไม่ได้นนี้เรียกว่าอนัตตาเพราะนถ้าเราสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนะี่ย ก็คือเราเห็นความจริงของกายของใจล้ผู้ใดเห็นความจริงนะัก็จะเบื่อหน่ายนีพระพุทธเจ้าสอนก็ เ, เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเราเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเราคลายกำหนับจึงหลุดพ้นเรหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วรมอาจา ร, รย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ การจุดเริ่มต้นก็คือให้รู้กายรู้ใจไปจนเห็นความจริงของเขาใจจะค่อยๆเบื่อใจมันจะจืดนะแต่ใจจืดแต่ไม่ใจดำแต่ใจจืดแต่ไม่ใ จ, จดำใจจะจืดหมายถึงว่าอะไรมากระทบนะความสุขความทุกข์มากระทบนะมันก็อย่างนั้นนั้นแหละขนาดเคยฟังเทศนะจิตใจแมมมีความสุขมากมาหัดจเจริญสติไปช่วงหนึ่งนะเราฟังธรรมะใจเรายังจืดเลย อะไรๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วในโลกนี้นะจืดสนิทเลยพอใจเราจืดเนี่ยใจเราก็หมดการดิ้นหมดความหิวโหยที่จะวิ่งไปหาอารมณ์มันนั้นถ้าเรายังเห็นอารมณ์ต่างๆเป็นของอรเด็ดอร่อยนะยังไม่จืดนะก็ยังวิ่งเข้าไปหาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโลกนี้เห็นกายเห็นใจนี้นะล้วนแต่ของไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเนะี่ยใจจะค่อยจืดลงมาใจจะไม่มันจะเบื่อนะจะเบื่อ จะเห็นแต่ความไม่มีสาระใจจะจืดพอใจมันจืดแล้วเนี่ยความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นรักษาหรือไม่ดิ้นแสวงหาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นหนีไม่ดิ้นป้องกันไม่ให้เกิดเมื่อใจไม่ดิ้นเนี่ยใจไม่ปรุงแต่งต่อถ้าใจไม่ปรุงต่อเนี่ยจิตไม่ได้สร้างพบขึ้นมาแล้วพบเก่าก็หมดอายุไปพบใหม่ไม่สร้างขึ้นมาค่อยๆดูไปนะไม่ยากหรอกง่ายจริงๆ ครูบาจารย์บอกหลวงพ่อทุกองเลยนะว่าง่ายนะประโมดง่ายนะนี่ยสอนอย่างนี้เราก็จําไว้ว่าง่ายแต่ตอนเราทําเราไม่รู้สึกง่ายนะ <c oughs> ความมันจะง่ายนะบอกให้ซื่อๆนะปางตายนะสงครามทั้งหลายที่ว่ารุนแรงนะไม่รุนแรงเหมือนสงครามข้ามพบข้ามชาติทําสงครามแต่ละครั้งนะตายครั้งเดียวเดี๋ยวจะทําสงครามข้ามพบข้ามชาตินะตายหลายครั้งนะ ตายแล้วตายอีกอย่านั้นกว่าที่จิตใจเราจะพัฒนาเติบโตมีปัญญาแก่กล้าค้าพบคข้าชาติได้ค้าพบคข้าชาติได้ก็เพราะเห็นความจริงนั่นแหละ<ม>ความจริงในกายความจริงในใจเราจะเห็นความจริงในกายในใจได้ก็ต้องมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนทั้งหลายในโลกนี้ลืมกายลืมใจทั้งวันดูตัวเองออกอยังพวกที่มาเรียนนานๆรู้สึกอย่าง ว, นนงวันหนึ่งวันหนึ่งนะรู้สึกตัวนิดเดียว เผลอเยอะลงไปคิดเยอะนะวันหนึ่งคิดทั้งวันอ่ะตั้งแต่ตื่นจนหลับรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อไม่รู้กายไม่รู้ใจคือไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจเมื่อไม่เห็นก็ไม่เบื่อเมื่อไม่เบื่อก็ไม่คลายความยึดถือเมื่อไม่คลายความยึดถือก็ไม่หลุดพ้นไม่มีอะไรนะง่ายหลวงพ่อพูดกับว่าไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆนะ อย่างเบื้องต้นเราก็เห็นไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาใช่ไหมจะไปมีอะไรโลกนี้มันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกมันมีขึ้นมาก็เพราะว่าเราหลงผิดเป็นคล้าๆไปเราหลงไปอยู่แต่ความคิดหลงไปอยู่ในความคิดมันก็มีเรามีเขาขึ้นมาตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้ก็ไม่มีเรามีเขาง่ายนะง่าย ช่วงที่ยังไม่เข้าใจก็ยากหน่อยอย่างเรายังไม่เข้าใจเราก็คิดว่าทำยังไงนะเราจะปฏิบัติถูกใครเคยคิดบ้างว่าทำยังไงจะปฏิบัติถูกมีัหมนั่นแหละเห็นไหมใจเราต้องการอะไรใจเราต้องการทําใจไใจเราต้องการทาในขณะที่สติปัฏฐานไม่มีคำว่าทาเลยกริยาในสติปัฏฐานมีอยู่คาเดียวคือคาว่ารูนะ้ไม่มีคำว่าทาในใจของเราต้องการทำ ทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีทำยังไงจะเกิดมรรคผลนิพพานจะหลุดพ้นลองดูในสติปัฏฐานนะลองไปอ่านดูมีแต่คาว่ารู้ภิกสูทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวลกลิยาคือคาว่ารู้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวกลิยาคือคาว่ารู้ ภิกษุทั้งหลายหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นภิกษุทั้งหลายลมหายใจระงับไปรู้ว่าลมหายใจระงับไปมีแต่คําว่ารู้นะภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่นะก็รู้ไปภิกษุทั้งหลายจะคู่ก็รู้จะละเอียดก็รู้นะจะเหลวซ้ายแลกขวาก็รู้ไปภิกษุทั้งหลายเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอยู่ก็รู้พิสุทธิทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดถู่ก็รู้นะกริยาหลักมีอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้พวกเราไม่ได้อยากรู้นะพวกเราอยากทําเวลาคําว่าทําเกิดขึ้นน่ยมันจะเป็นเรื่องว่าทํายังไงกายของเราจะเป็นอย่างนี้ทํำยังไงใจของเราจะเป็นอย่างนี้ คำว่าทำนั่นแหละให้เราเข้าไปแทรกแซงกายให้ไปแทรกแซงจิตใจแทนที่เราจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราก็จะไปบังคับกายไปบังคับใจเรื่อยๆไปบังคับได้ไหมบังคับได้ชั่วคราวด้วยสมถกรรมฐานอย่างเราโกรธขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธมก็หายโกรธโกรธขึ้นมานะแผ่เมตตาเขาหายโกรธโกรธขึ้นมาบริกรรมโกรธนอโกรธนอโกรธนอก็หายโกรธได้ ก็คิดว่าเราทำได้แหมเห็นไหมเราพัฒนาแล้วจิตเราดีเราจัดการกับความโกรธได้เราเก่งกลายเป็นกูเก่งซะ อ, อีกในแทนที่จะเห็นว่าไม่มีเรานะนั่นอย่าไปคิดนะว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงก็ผิดนะหลวงพ่อเคยเจอพระองหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะไปอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งทางสุรินตอนเช้าขึ้นมาทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากกุติ ไปเห็นเก้าอี้หินตัวหนึ่งอยู่ริมสระน้ำใต้ต้นไม้ร่มรื่นทางสุรินไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่หรอกนะแห้งแล้งมีต้นไม้นี้มีเก้าอี้ใจมันนึกเลยวันนี้ตรงนี้น่านั่งเดี๋ยววันนี้เราจะปฏิบัติอยู่ตรงนี้แหละนั่งบ้างเดินบ้างพระองค์หนึ่งนะพระองค์หนึ่งตะโกนข้ามสระน้ำอะไรปราโมดอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วไม่ต้องปฏิบัตินะแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิบัติหรอกปฏิบัติยังไงก็ผิดนะเขาแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วมันผิดอะไรมันผิดตรงที่มันไม่รู้นะเราลืมคำว่ารู้ไปละอย่าลืมคำว่ารู้นะคำว่ารู้เนี่ยสําคัญมากสําหรับชาวพุทธเราพุท ธ, ธะแปลว่ารู้นะพุท ธ, ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเมื่อไรเราไม่รู้จักคําว่ารู้ก็คือเราห่างไกลจากความเป็นพุท ธ, ธะห่างไกลจากาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาบังคับไป บางศาสนาก็วิธีมรรควิธีของเขาก็คือศรัทธาใช่ไมบางศาสนาก็ให้ใช้ความรักอะไรเงี้ยศาสนาพุทธเนี่ยใช้การรู้ให้รู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตใจรู้เรื่อยๆรรู้ไปมีใครรู้ไม่เป็นมั้งมีไหมรู้ไม่เป็นรู้ไม่เป็นทำไมยมรู้ว่าไม่แน่ใจอะ ถ้าเรารู้ว่าเราไม่แน่ใจก็รู้เป็นนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยรู้ว่ากําลังไม่แน่ใจเราก็รู้ไปที่ความรู้สึกไม่แน่ใจเราจะเห็นเลยตอนที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้คิดนะเราก็ไม่มีความไม่แน่ใจเพราะเราเริ่มคิดเราก็สงสัยใช่มเพอเราคิดแล้วความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นมาเนี่ยนี่ความไม่แน่ใจเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเรารู้ว่าจิตไม่แน่ใจเราไม่ได้ไปคิดต่อเนี่ยความไม่แน่ใจไม่มีเหตุ ความไม่แน่ใจก็ดับไปแล้วก็จะเห็นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุมันก็ดับไปใครบอกดูไม่เป็นอีกมีไหมใครไม่เคยกโกรธมีไหมหรือใครไม่รู้จักว่าโลภเป็นยังไงใครไม่รู้จักว่าใจลอยเป็นยังไงใครไม่รู้จักว่ากังวลใจคลุ่มใจดีใจเสียใจเนี่ยคำว่าใจใจทั้งหลายเนี่ยมีใครไม่รู้จักก็รู้จักทุกคนอ่ะนะ เั้นความรู้สึกใดๆตอนนี้เกิดขึ้นในจิตในใจเราก็แค่รู้ไปด้วยรู้แบบถูกต้องก็คือเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราอย่างความโกรธเนี่ยหรือความสงสัยไงใช่ไหมไม่ใช่คนใครเห็นความสงสัยเป็นคนใครเห็นความโกรธเป็นคนไหมไม่มีหรอกเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาเป็นกล่าวๆมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาไม่มีเหตุมันก็ดับไป ไม่ยากนะไม่ยากอะไรเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้จนเห็นความไม่มีอะไรไม่ใช่เรียนรู้จนได้อะไรมาเยอะแยะนะในความเป็นจริงก็คือภาวนาไปถึงขีดสุดเลยนะนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาภาวนาจนเป็นพระอระหันตนะ์ไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปไม่ได้อะไรมาเลยเพราะไม่ได้เข้าไปยึดถืออะไรเลยสักอย่างเดียวก็ทั่งมรรคนิพพานถ้ายัางอยากได้มรรคนิพพานอยู่มันก็ไม่มีมรรคนิพพานหรอก พอหมดอยากทางหากละ่ะไม่เอาทางหากละ่ะไม่ได้ยึดถืออะไรต่างหากละ่ะมันก็ถึงจะถึงมรรคนิพพานไม่ได้เสียอะไรไปเพราะเราไม่เคยมีอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกร่างกายก็ยืมเข้ามาใ ช, ใช่จิตใจก็มีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็ดับหายไปเรื่อยๆาะงนั้นเราไม่ได้เสียอะไรไปไม่ได้อะไรมาถ้าจะได้อย่างเดียวก็คือได้ความเข้าใจได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิ เพราะศาสนาพุทธเนี่ยเมื่อเราจเจริญสติเต็มที่ทําสติปัฏฐานเต็มที่สิ่งที่เราจะได้มาคือตัวสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าอาริยสัจนะหลวงพ่อมีหนังสือแจกไหมวันนี้อริยสัจมีนะไม่อ่านนะไม่อ่านผู้ใดเข้าใจอริยสัจก็จะข้ามภพข้ามชาติใครไม่เข้าใจอริยสัจก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจยากยากฟังเหมือนเข้าใจง่าย ยังบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์นีกายกระใจเป็นทุกข์ฟังเราง่ายใช่ไหมแต่กว่าจะรู้สึกว่ากายกระใจเป็นทุกข์นี่ยากที่สุดเลยเพราะเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นเลยว่ากายกระใจเป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่เห็นนะี่เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์หรือเราเห็นว่าถ้ามีตัณหาแล้วจิตจะมีความทุกข์คือมีความอยากขึ้นมานั้นจิตดิ้นรนขึ้นมาแล้วจิตทุกข์แต่คนทั่วไปอย่างนี้ก็ไม่เห็นนะ คนทั่วไปเห็นว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์แต่ถ้าสมอยากแล้วมีความสุขเนี่ตื้นขนาดนี้ผู้ปฏิบัติเห็นว่าถ้ามีความอยากถึงจะมีความทุกข์นี่ก็ยังตื้นนะยังไม่ใช่รู้ธรรมะแท้ๆถ้ารู้ธรรมะแท้ๆเราจะรู้เลยจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากเนี่ยขันนี้ก็เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ถ้ามีความอยากซ้ำขึ้นมาอยากให้ขันเป็นสุขอยากให้ขันพ้นทุกข์แล้วก็ ใจิตใจจะดิ้นรนแล้วมีความทุกข์ซับซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกทุกซ้อนทุกทุกแล้วทุกอีกทุกไม่เลิกนิโรธนิพพานก็ไม่เข้าใจตอนหลวงพ่อเรียนสมัยเด็กๆ ก, กระทรวงศึกษาแต่งตํารานิพพานแปลว่าตายนิโรธก็คือนิพพานเพราะงั้นนิโรธคือตายแล้วก็บอกเออทุกสมูทัยมรรคอะไรนี่นะไม่น่ารังเกียจนะแต่นิโรธนี่น่ารังเกียจที่สุดเลย ขอไม่เอาภาวนาขอไม่เอานิพพานกนะลัวตายนิโรดนี่ก็ลึกซึ้งนะนิโรดพวกเราแตลตามตำราแล้วก็ว่าความดับทุกข์แต่ในสภาวะถ้าเราภาวนาจนจิตของเราหลุดพ้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าดับทุกข์หรอกแต่เรารู้สึกว่าพ้นทุกข์ถ้าอารหันที่ยังดำรงขันอยู่เนีนะ่นิโรดเนี่ยคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่ความดับทุกข์ เพราะว่าอะไรเพราะขันยังอยู่ขันเป็นตัวทุกข์ขันของพระราหันก็ทุกข์เช่นเดียวกับขันของญาติโยมทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นนิโรธไม่ใช่ความดับทุกข์แต่เป็นความพ้นทุกข์หมายถึงจิตมันพ้นออกจากขันจิตมันไม่ยึดถือขันเพราะฉะนั้นขันจะแปรปรวนยังไงจิตไม่ทุกข์ด้วยนี่นะมรรคก็เหมือนกันนะเข้าใจยากนะมรรคของเรามีแปดถ้ามรรคมีแปดก็เรียกว่ามรรคมรรคในความเป็นจริงมีหนึ่งนะ มักมีหนึ่งแต่มีองค์ประกอบแปดคล้ายๆแมงมุมหนึ่งตัวมีขาแปดขาไม่ใช่ขาหนึ่งขาคือแมงมุมสองขาคือแมงมุมไม่ใช่เนี่ยธรรมะนะลึกๆมากเลยค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนหรืออย่างนิโรดน่ะนิโรด น, ะนิโรดพอลึกซึ้งถึงที่สุดเนี่ยแปลว่าความไม่เกิดขึ้นของทุกความไม่เกิดขึ้นอีกของทุกนั้นเป็นพระอราหันต์ที่นิพพานแล้ว ไม่มีความเกิดขึ้นอีกของทุกข์นั้นเราแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์เราก็คิดว่าเออเหมือนไฟไหม้นะไหม้ขึ้นมาแล้วก็หมดเชื้อแล้วมันก็ดับไปแต่โดยสภาวะแล้วถ้ายังดำรงขันอยู่มันก็พ้นทุกข์ถ้าสิ้นขันไปแล้วก็คือทุกข์ไม่เกิดอีกคือความไม่เกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยกระทั่งนิโรธนั่นก็ลึกซึ้งนะมักก็ลึกซึ้งมักมีองค์แปดเวลาภาวนาจะทำยังไง เวลาภาวนาก็จเจริญสติปัฏฐานสิถ้าเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเราก็ไม่มีความดำริชั่วๆทั้งหลายดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในการเบียดเบียนไม่มีเพราะมีสติอยู่นะสัมมาสังกัปปะมันก็มีอยู่ในตัวเองนะในขณะที่เรามีสติอยู่สัมมาวาจาก็เกิดเอง นะสัมมากรรมมันตะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะจริงๆก็คือศีลห้านั่นเองมันจะมีอยู่เองนะสัมมาอาชีวะมันก็จะมีอยู่เองในขณะที่เรามีสติขึ้นมานะสัมมาวายามะก็มีอยู่เองสัมมาวายามะคือความเปลี่ยนชอบทันทีที่มีสติเนะี่ยอากูศลที่มีอยู่จะดับอกูศลใหม่จะไม่เกิดอากูศนละได้เกิดขึ้นแล้วกุศลที่เคยเกิดแล้วก็จะเกิดทีๆบ่อยๆขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยที่จะเกิดกุศล ในลักษณะของสัมมาวายามะความเพียรชอบก็คือเพียรละกิเลสที่มีอยู่ปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทํากุศลที่เกิดแล้วให้ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้พัฒนาขึ้นไปงอกงามห้บุญในขณะที่เรามีสัมมาสติอยู่เนี่ยจิตเจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสัมมาส ม, มาธิอยู่ในตัวเองเพราะฉนั้นถ้าเรามีสัมมาสติเราก็จะมีองค์มรรคเนี่ยครบพระพุทธเจ้าอาธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานนั่นเอง หน้านที่เราก็คือทําสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจไปอครึ่งชั่วโมงพอดีนะเหลืออีกสองวินาทีนะอ้าวหนึ่งวินาทีหมดพอดีครึ่งชั่วโมงแนละ้วเ <c oughs> มื่อก่อนหลวงพ่อเคยตอนเป็นนักศึกษานะบวชกับหลวงพ่อปัญญาเมื่อก่อนไม่เข้าใจท่านนะเวลาท่านเทศเนี่ยบอกท่านว่ามีเวลาครึ่งชั่วโมงท่านก็เทศครึ่งชั่วโมงเป๊ะเลย บอกมีเวลา45นาทีก็45นาทีแล้วแล้วทำได้ยังไงแปลกเชิญใครจะคุยมีใครจะให้หลวงพ่อถามบ้างไหมในพระไตปิฎกมีนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายนะให้พวกเธอขยันภาวนานะเผื่อเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนพระด้วยกันถามเนี่ยจะได้ไม่เก้อเขินมีใครที่ จะไม่เก้อเขินถ้าหลวงพ่อถามมีไหมใจถึงๆหน่อยอ๋อนั่นเหรอเอาเชิญกลับนรัต ก, การพระอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์และทีมงานของอาจารย์สุรวัตรทุกๆ ท, ท่านนะคะก็คือตอนที่ก็ตามปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็คือตามดูตามรู้กายใจไปอ่ะคะ่ะทีนี้ก็มี มีเหมือนกับว่ามีสติจริงๆเกิดขึ้นคือโดยที่ไม่ต้องตามดูตามรู้อะค่ะเหมือนเกิดขึ้นเองนะคะแล้วก็ตอนสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็จะเห็นว่ามือและก็แขนของเราเนี่ยค่ะอยู่ดีๆก็หายไปอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็บางครั้งตอนที่ขณะที่เรากาลังตามดูตามรู้อยู่นี่ก็เกิดอาการที่ว่าไม่หายใจ แล้วก็มีหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าค่ะก็ให้ปรากฏให้เราให้เราเห็นนะคะแล้วก็ก็อยากจะห้ามไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้อะค่ะก็จะเกิดอยู่สักพ erm ักหนึ่งแล้วก็หายไปเป็นปกติอะค่ะพระอาจารย์ก็อย่าไปน้อมใจให้นิ่งก็แล้วกันถ้าเราน้อมใจให้นิ่งมันก็จะเกิดอาการอะไรซึ่งเกินธรรมดาขึ้นมา ถ้าเราไม่เป็นน้อมใจให้นิ่งนะกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันจิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมันแต่ว่าถ้าเราน้อมใจแล้วเกิดสภาวะใดๆขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันนะ<ช>อย่างเป็นต้นว่า<ช> <ๆ S 2> ร่างกายหายเป็นส่วนๆเนี้ยนะใจเราเป็นกลางอยู่เรารู้ว่าเป็นกลางอยู่อะไรยไม่เป็นไรแต่ของคุณต้องระวังนะจิตมันติดนิ่งค่ะแล้วจะแก้ไขอะไรก็อย่ า, ไ, า, า, ยาไปนิ่งสินะ กระทบอารมณ์บ่อยๆนะอย่าไปประคองเอาไว้ที่พวกเรานักปฏิบัติชอบประคองจิตให้นิ่งเพราะว่าเรากลัวมันจะไม่ดีกลัวมันจะไม่ดีกลัวมันไม่มีสติอะไรเงี้ยกลัวมันเผลออย่าไปกลัวมันเผลอก็เผลออย่างตอนนี้เผลอไปแล้วทราบไห ม, มนี่หัดไปอย่างเนี้ยเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะดีกว่ากลัวเผลอแล้วไปนั่งเฝ้าไว้จนไม่ยอมเผลอเลยกลายเป็นนั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งนะกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆ เป็นสมถะนะเพราะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นการบังคับไม่ได้นะขอบคุณพร ะ, เ ะ, ะพระเจ้าะะกับน้ำสการค่ะขอส่งการบ้านนะค ะ, ะคือเห็นความรู้ส่งออกไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะแล้วทีนี้มันก็สักแต่ว่ารู้ ส, สักแต่ว่าเห็นนะคะ ก็จะรู้จักว่าทุกสภาวะแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมันนะคะแล้วทีนี้ช่วงขณะนั้นมันก็ไม่เห็นคือมันเห็นเป็นสภาวะที่มันไม่ใช่อันอื่นนะคะเช่นเห็นความรู้ไปรู้ว่าอคืนนี้ดาวสวยรู้สึกชอบนะคะขณะนั้นมันมันจะขาดไปเลยนะคะแล้วแล้วเราจะเห็นข้างในว่ามันมันมันสบายมันเบามันนุ่มนะคะแล้วก็เลยก็เลย ก็เลยเปรียบเทียบว่าความรู้ความเห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือถ้ามีสติใช้มันแล้วมันก็จะวางโดยอัตโนมัตินะคะแต่แต่ต้องเน้นว่าถ้ามีสตินะคะแล้วทีนี้ขณะขณะที่เช็ดเท้าอยู่นะคะความรู้มันก็จะไปหมายไหลไปหมายว่าเป็นเท้านะคะช่วงขณะนั้นมันมันจะตื่นมันจะขาดไปเลยนะคะอขอบพระคุณค่ะอะไรขาดนะคือคื อ, ค, อคือข้างในมันจะตื่นตัวขึ้นมาเลยนะคะ อย่างนั้นแหละเวลาที่จิตมันจำสภาวะได้นะพอมันะระลึกรูกร้ปั๊บก็ขาดเลยค่ะก็ถูกแล้วแต่ว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงขนาดนี้ตอนนี้เหรอคะอืมคื อ, ค, อคือมันข้างในมันเฉยๆนะคะแต่แต่ถ้าแต่ถ้าบางครั้งถ้าถ้าไม่อยู่ที่นี่ถ้าฟังเทศหลงพ่อกายรู้สึกว่ามันนิ่งมันสบายมันตื่นตัวเนี่ยคะ่ะแต่แต่มันก็หลงอยู่เหมือนกัน ไม่ขนาดนี้ยรู้สึกตัวเต็มที่ไหมไม่ไม่ค่ะออใช้ได้รู้สึกไม่เต็มที่ไปบังคับไว้ค่ะเ อ, อใช้ได้ละหน้าที่เราไม่มีอะไรนะถ้าใครเคยฟังเ้าส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเรื่อยๆจะเห็นว่าเขาจะมาเล่าว่าเขามีกิเลสอะไรนะสภาวะจริงๆในกายในใจมีอะไรอยู่บ้างเล่าอย่างที่เรารู้สึกไม่ใช่ยากอะไรถ้าเราสามารถเห็นสภาวะถูกต้องตรงความเป็นจริงก็ใช้ได้ละ เรียกว่าภาวนาเป็นแลงั้นหัดรู้สภาวะไปแล้วสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะสอนไตรลักษ์เราจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูเดีย๋ยวไปตรึงสภาวะใดๆให้นิ่งเดีย๋ยบังคับกายให้นิ่งเดีย๋ยบังคับใจให้นิ่งปล่อยให้เขาทํางานไปข อ, ขอบพระคุณค่ะทกาณหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ผ่านมาโยมเห็นรู้สึกมีความสุขหลายๆครั้งเจ้าค่ะแล้วก็ใจโล่งๆแล้วรู้สึกว่า เห็นสภาวะแล้วมันดับลงล่อยขึ้นเจ้าค่ะดีแล้วคุณคิดใช้ได้ใช้ได้แล้วภาวนาดีคุณกบก็ดีนะทีนี้ภาวนาเป็นแล้วดีมรสการหลวพ่อค่ะจะถามว่าการภาวนาตอนนี้ถูกต้องหรือ ย, ยังคะเอางั้นเลยเหรอใจถึงเปล่า <c oughs> <c oughs> เห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่ง <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> สอนาดีแล้วไม่ต้องปรับปรุงอะไรหรอคะไม่ต้องปรับนะแต่อย่าขี้เกียจเท่านั้จุดอ่อนนะเดี๋ยวดูดูไปแล้วจะเลิกเลิกเยไปทําอย่างอื่นขยันดูนะดูเรื่อยๆดูเล่นๆดูสบายๆการนวมัตสกรนหลวงพ่อครับผมปฏิบัติโดยตามรู้ใจตามรู้กายมา อ, อยู่ไหนและ้ะเห็นไหมครับอ๋อ ผมปฏิบัติมาช่วงหนึ่งครับตามรู้กายตามรู้ใจมาไม่ทราบว่าตอนนี้ถูกใช่ได้ผ บ, บดูเรื่อยๆนะดูไปเรครัยเสร็จแล้วกายกับใจจะสอนท ร, รมากเราเองเอ้าวไปถึงไหนละกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะจะขอถามว่าพี่ภาวนาอยู่ถูกหรือเปล่าคา่าลอกกันบ้านกันหรือเปล่าถามเหมือนกันทุกคนเลย คือมันเป็นคําถามที่หลวงพ่อเกรงใจที่จะตอบอ่ะนะคืออย่างเราถามว่าถูกไหมเนี่ยคนซึ่งไม่เคยรู้สึกตัวเลยรู้สึกขึ้นมาก็ถูกแล้วใช่ไหมแต่มาพารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็รู้อย่างเป็นกลางแต่เดิมรู้ไม่เป็นกลางแตมารู้ว่าเป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางมากขึ้นมันก็ถูกมากขึ้นแต่มาก็เห็นความจริงของสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์นี่ยิ่งถูกยิ่งขึ้นไปอีก จนสุดท้ายมันปล่อยวางความเห็นผิดปล่อยวางความยึดถือในสภาวะก็ถูกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคำว่าถูกเนี่ยมันคล้ายๆเราจะลงไปเล่นน้ําทะเลลงไปหนึ่งเมตรมันก็ถูกน้ําทะเลแล้วนะสองเมตรมันก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยมีแต่ว่าเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในคุณงามความดีที่ได้แล้วเราต้องค่อยๆพัฒนาต่อไปอย่างถ้าหลวงพ่อบอกว่าถูกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มหยุดนิ่งและวเราจะพอใจในสภาวะอันนี้ ถ้ลวงพอบอกว่าไม่ถูกก็กลายเป็นหลวงพอพูดไม่ถูกอีกเพราะในความเป็นจริงก็คือมันถูกนั่นแหละนแต่ว่าการถูกนะมันถูกเป็นลําดับลําดับไปะตอนนี้เห็นกิเลสบ่อยไหมล่ะเห็นความคิดเห็นเรื่องที่คิดหรือรู้ว่าจิตคิดคือบางทีก็เหมือนกับว่าเห็นเป็นเรื่องอ่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะแบบพอเริ่มคิดเราก็รู้อะค่ะเออต้องอย่างนั้นนะพอเริ่มจิตมันเริ่มคิดรู้ว่าจิตคิดเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิต แต่ถ้ารู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้สมมุติบัญญัติสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัธิธรรมไปรู้สมมุติบัญญัตินะไม่เกิดสติปัฏฐานนะไม่ใช่วิปัสนาแท้ๆอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมทราค่ะเอออย่างนี้ใช้ได้นะแล้หัดรู้สึกไปเรื่อยเราจะเห็นว่าใจนี่หนีไปคิดแ ว, แวบแวบแวบหนีอยู่เรื่อยๆให้รู้ไปเรื่อยๆอย่าให้มันหลงไปนานหลงนานน่าเกลียด ให้หลงแวบๆแบบถ้าไม่หลงเลยก็น่าเกลียดนะกลายเป็นนักเพิงนั่นต้องหลงบ้างให้มันหลงไปแล้วรู้สึกหลงไปแล้วรู้สึกหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะเออต้องอย่างนี้รู้สึกไหมตรงที่เราทราบนะใจเราจะสว่างขึ้นมาโล่งๆขึ้นมาโปร่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตอนหนีไปคิดไหมใจก็ทึบๆถึมๆขึ้นมาเนี่ยสงสัยแล้วทราบไหมดูออกเปล่า นึ่งดูไม่ออกอะค่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรมารมัดการหลงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติแล้วแบบว่าเหมือนติดมันยื้อกันอยู่ว่ารู้รู้รู้สึกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้รู้ว่ากำลังสงสัยไป <ฮะ S 2> อย่างเราไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจน ะ, <ฮ>ะให้หัดรู้ไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะเห็นอีกความไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีขึ้นมา นั่งดูไปเรื่อยๆถ้าไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวความไม่แน่ใจก็ดับไปถ้เกิดแล้วก็ดับเราหัดดูสภาวะทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อจะได้ความรู้อันเดียวเองว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราต้องการรู้แค่นี้เองเราไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกมากมายอะไรเพราะฉะนั้นอย่างความสงสัยเกิดเห็นเมื่อความสงสัยดับเกิดได้ก็ดับได้ความสุขเกิดขึ้นมาได้ก็ดับไปได้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับต้องการแค่นี้เอง ถึงจุดหจิตจะเกิดปัญญาสรุปรวบยอดเลยนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่ภุมิความรู้ของพระโสดาบันนะแค่นั้นเองง่ายอย่าไปหลงกลนะกิเลสทุกตัวจะทําหน้าที่ให้เราคิดให้เราเลิกรู้สึกตัวนะอย่างความสงสัยเกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เราจะไปคิดหาคําตอบหรือถ้าเจอครูบาอาจารย์เราก็ไปนั่งถาม ถามถามเสร็จแล้วถ้าครูบาอาจารย์รวมตัวตอบมานะเราก็จะจำเอาไว้เราก็นึกว่าเรามีความรู้ที่แท้เราได้ความจําความรู้กับความจําคนละเรื่องกันนะความรู้เนี่ยเกิดจากการที่ใจเราเข้าไปประจักษ์จริงๆในสภาวะเราเห็นจริงๆว่ามันเกิดแล้วก็ดับจริงๆนะหรืออย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพอเรามีความโกรธเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธแทนที่เรารู้ว่ากําลังโกรธอยูนะ่แทนที่จะดูใจตัวเองที่กําลังโกรธ เราจะไปนสนใจคนที่เราเราโกรธเขาเราโกรธคนไหนเราก็จะสนใจคนนั้นคิดถึงเขามากรู้สึกไหมยิ่งเกลียดคนไหนยิ่งคิดถึงบ่อยรู้สึกไหมเพราะว่าความเกลียดนั้นมันลากไปให้เราลืมตัวเองเนะีเรารักก็เหมือนกันนะกิเลสโลภะราคะเนี่ยเรารักอะไรเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นเราจะลืมรู้ว่าจิตกำลังมีราคะอยู่นะหรือความเบื่อเกิดขึ้นเราก็ขี้เกียจไปเลยเลิกดู กิเลสสำเร็จแล้วทําให้เราเลิกรู้ทันตัวเองเราไม่รู้ว่ากําลังเบื่ออยู่ใจฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ถูกเลยงงไปหมดละเราก็รู้สึกว่างง ง, งไปงั้นนะเราไม่รู้ว่าจิตกําลังงงอยู่เะฉะนั้นกิเลสทุกตัวนะทำหน้าที่อันเดียวกันทําหน้าที่ให้เราเลิกรู้สึกกายเลิกรู้สึกใจเพราะถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไปเนี่ยวันหนึ่งเราจะพ้นจากอํานาจของกิเลสแลนะ้กิเลสจะไม่ปล่อยเราง่ายๆนะจะต้องสู้กันหน้าดูเลย อย่าไปหลงวลเวลาภาวนาแล้วสงสัยขึ้นมารู้ว่ากำลังสงสัยอย่าไปคิดมากนะไม่ต้องฉลาดไปหาคำตอบหรอกเราแค่เห็นว่าความสงสัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเหตุของมคือเรานั่งคิดอ่ะคิดไปคิดมายังไม่เข้าใจก็สงสัยขึ้นมาหรือกระทั่งความโลภและความโกรธนะกนะ็เกิดจากความคิดนะอย่างเราจะรักใครเราต้องคิดในแง่ดีก่อนนะเรียกว่ามีกามาวิตกก็เกิดราคะ มีพยาบาทวิตกก็เกิดโทสะเนียใจมันหลอกเราทั้งนั้นเลยหลอกให้เราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็กิเลสก็ทํางานได้เต็มที่ถ้าเรามีสติรลุดออกจากาโลกของความคิดกิเลสไม่มีช่องที่จะทํางานนะงั้นมีสติรู้สึกรู้สึกไปในขณะที่รู้สึกตัวอยู่จิตจะไม่มีกิเลสในขณะใดมีกิเลสในขณะนั้นจะไม่รู้สึกตัวไม่มีสตินะ อ, อยู่ที่ไหน อ่าว่าไปากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกฟุ้งซ่านอืมเราก็เพ่งอือยากหายฟาุ้งซ่านเราไม่ชอบฟุ้งซ่านเราก็เลยไปเพ่งไว้นะแม้ ใ, ใจเราแทนที่ว่าเราจะรู้เพราะพระุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟาุ้งซ่านเราไปเห็นความฟาุ้งซ่านใจเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราเลยไปเพ่งกะว่าจะให้มันหยุดไปนะเราะั้นเราให้ให้เรารู้ไป คำ ว, ว่ารู้เนี่ยมีนัยยะสองอย่างซ้อนกันนะอันนึงรู้ด้วยสติอันนึงรู้ด้วยปัญญาในสติปัฏฐานเนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าทําสมถะกรรมฐานเรารู้ด้วยสติอย่างเดียวอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราไม่ลืมตัวเองเราเห็นร่างกายมันหายใจอยู่จิตเราไปแนบอยู่กับลมมีสติรู้ลมหายใจได้สมถะเป็นการเอาสติไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌาน อีกอันนึงมีปัญญาเห็นว่าตัวที่กําลังหายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้อะไรเนี้ยการที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่าเห็นด้วยปัญญางั้นอย่างคําว่า ร, รู้รู้ในสติปัฏฐานนะมันเป็นสองชั้นซ้อนกันรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาอย่างท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะอันแรกรู้ด้วยสติหมายถึงว่าราคะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้น แต่ น, นึ่รู้ด้วยปัญญาเห็นว่าราคาเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ดับอย่างนี้เรียกรู้ด้วยปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองนั่นในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะทํำมิปัสสนานะการรู้ก็จะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาสติระลึกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่มีปัญญาระลึกรู้ลงไปว่าตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอก มันจะซ้อนกันอยู่ถ้ามีสติอย่างเดียวนะไม่มีปัญญาเนี่ยจะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ใจจะไปเพ่งเช่นเพ่งท้องพองยุบแล้วก็เพ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยนันก็เป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าเพ่งอยู่ที่เท้าอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าเราดูท้องพองยุบนะเรามีปัญญาเราเห็นว่ารูปที่พองรูปที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาละทำวมมิปัสสนา เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอยู่นะสติรู้ถึงอาการไหวของรูปอาการเคลื่อนไหวของรูปมีปัญญารู้ว่ารูปที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเคาว่ารู้เป็นสองอย่างนะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าเป็นมิปัสนาจะรู้ด้วยสติและปัญญาถ้าสมถะมันจะไปเพ่งไว้เฉยๆมีไหมไม่มีจะได้เลิกมีกราบนำมัสการหลวงพ่อคะ่ะ เคยพูดออกไม่หลายครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่จะสันเท่าครั้งนี้นะคะเ อ, อะจะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้หนึ่งปีค่ะก็ภาวนาแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็ต่างกันไปแต่ว่าจะขอรายงานสภาวะครั้งล่าสุดคือขนาดที่นั่งภาวนาก็กําหนดภาวนาว่าพุโทโธสักพักหนึ่งคําภาวนาก็หายไปก็เหลือแต่ลมหายใจ ซึ่งสักพักหนึ่งลมหายใจก็หายไปเลยมาตามดูปรากฏว่าไม่ได้หายไปแต่ว่าลมหายใจบางมากบางแทบไม่รู้สึกแล้วตรงช่วงศีษา ก, ก็เหมือนมีอะไรลอยลอยอย่างช้าๆเหมือนปุยนุ่นค่ะซึ่งตอนนั้นจิตกับความรู้สึกนี่จะบาลานซ์กันคือมีความสุขก็รู้่ามีความสุขปิติก็จะตามกันโดยที่ไม่ได้สั่งซึ่งอยากจะเรียนถามหนุ่พ่อว่าการภาวนาที่ ท่านที่เรียกว่าคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิความรู้สึกจะเป็นยังไงคะคณิกะสมาธิอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนะทันทีที่สติเกิดเนี่ยคณิกาสมาธิก็เกิดแต่ของคุณนั่นมันเข้าไปที่อุปจาร ะ, ะแต่ว่าเมื่อจิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรายังสังเกตได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวได้นะยังไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้า<ล>จะให้นิ่งเราก็จับอยู่ที่นิมิตนิมิตลมไม่ได้จับตัวลมแล้วนะ อย่าไปจับนิ้มิดลมถ้าจะเข้าฌานค่ะมีจุดไหนที่จะต้องแก้ไขบ้างคะไม่แก้นะก็นั่งไปแต่พอเราออกจากสมาธิปุ๊บจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันอย่างรวดเร็วเลยนะค่ะเพราะฉะั้นตรงคนไหนที่ชอบทําสมาธิก็ทําไปแต่ตอนที่เลิกจากสมาธิออกจากสมาธิอย่าเลิกปฏิบัติให้มีสติรู้จิตเข้าไปเลย หลวงพ่อพุธเคยสอนนะบอกว่าตอนที่จิตออกจากสมาธิเนี่ยเป็นนาทีทองการปฏิบัติเพราะจิตตรงนั้นน่ะมันจะไม่มีอะไรรบกวนมันเหมือนเรามีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งเยี้งเราเคลียร์โต๊ะนะไม่มีของสักชิ้นหนึ่งเลยโต๊ะเราสะอาดเกลี้ยงไม่มีของอะไรสักชิ้นหนึ่งมีขี้ฝุ่นเล็กๆตกลงมาหนึ่งเราก็จะเห็นนะงั้นอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตในใจเล็กๆน้อยๆเราก็จะเห็นงั้นตอนออกจากสมาธิอย่าเลิกไปเฉยๆให้ทํา มีสติรู้จิตรู้ใจต่อไปเลยค่ะหลวงพ่อคะแล้วความรู้สึกความคิดแล้วก็การเห็นนี่ต่างกันยังไงคะความรู้สึกการคิดการคิดหรือความคิดความคิดที่กาลังภาวนานะคะควา ม, มคิดมันจะยเป็นเรื่องราวเป็นสมมติบัญญัตนะิความรู้สึกมีรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะอันนี้เป็นตัวสภาวะแล้วอะไรอีกตัวความรู้การเห็นคะ่ะการเห็นเห็นอะไร คือขณะภาวนาในความไอสามตัวนี้จะเกิดขึ้นอตรงที่ความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องสนใจมั น, นแต่ว่าอะไรแปลกปลอมความรู้สึกใดๆแปลกปลอมขึ้นมาในจิตในใจขนาดนั้นนะตามรู้ตามเห็นมันไปเรื่อยๆมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่มีผู้รู้ผู้ดูอยู่แล้วก็มีอาการต่างๆแสดงออกไปแต่อย่าไปหลงอยู่กับความคิดคเอาความคิดทิ้งไปแล้วก็ดูของจริงๆ กลับขอบคุณมากค่ะนมัส ก, การหลวงพ่อครับอผมได้ฟังที่งดีหลวงพ่อแล้วก็เริ่มฝึกเรียนตามรู้กายรารู้ใจเอ็นถามหลวงพ่อ่ะจดดิตของผมควรจะฝึกกายหรือฝึกใจอย่างไรก่อนครับคือกายกับใจเนี่ยไม่มีความหมายอะไรมากหรอกนะเป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะเป็นจุดตั้งต้นเพื่อให้เกิดสติ เมื่อมีสติจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้ใจไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปของคุณโดยจิตนิสัยเป็นคนคิดมากนะเป็นพวกช่างคิดให้คุณดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเราจะหัดดูสภาวะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตเช่นจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลใดๆเราคอยรู้ไปเรื่อยๆ การที่เราหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่ น, นพอ ส, ส, สภาวะที่จิตจำได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วทีแรกก็ต้องจงใจชำระเลืองบ้างพอชำระเลืองไปเรื่อยๆจงใจบ้างนะอย่าจงใจแรงจงใจแรงแล้วเครียดจงใจชำระเลืองเป็นระยะระยะไปแล้วจิตมันจำสภาวะแม่นแล้วสติเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจ ตรงที่สติเกิดโดยไม่จงใจเนี่ยบางครั้งก็รู้กายบางครั้งรู้เวทนาบางครั้งรู้จิตนะเอาแน่ไม่ได้หรอกไม่มีสายไหนหรอกสายไหนสายไหนเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นเองงั้นในสติปัฏ ฐ, ฐานสังเกตไหมท่านใช้คาว่าการตามรู้การตามเห็นตามเห็นกายเนืองเนืองตามเห็นเวทนาเนืองเนืองตามเห็นจิตเนืองเนืองตามเห็นธรรมเนืองเนืองตามเห็นเนี่ยถ้าเป็นนามนธรรมนะทได้ทั้ง ฝึกให้เกิดสติกับฝึกให้เกิดปัญญาแต่การตามเห็นกายเนืองๆนี่จะทําให้เกิดสติเป็นการตามเห็นหมายถึงว่าร่างกายเราเช่นเรานั่งอยู่แล้วเราเผลอใจลอยนะเราเกิดยกมือขึ้นเกาแล้วระลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเผลอไปเกาะเระลึกถึงรูปที่มันดับไปแล้เนี่ยตามเห็นมันต่อไปพอร่างกายมันขยับเนี่ยไม่ได้เจตนานจะรู้สึกนะมันรู้สึกเองเลยมันรู้สึกเองสติเกิดเองนี่พอสติเกิดแล้วตอนนี้ไม่ใช่การตามเห็นกายแล้ว จะเป็นการรู้กายที่เป็นปัจจุบันนะอันนี้ถึงจะเกิดปัญญาไม่เหมือนกันถ้าเป็นการรู้จิตเนี่ยจะเป็นการตามเห็นไปตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเจริญมิปัสนาแต่ส่วนกายเนี่ยเบื้องต้นใช้ตามเห็นจนจําสภาวะของกายได้จะจําสภาวะของรูปได้แล้วสติเกิดตรงที่สติเกิดแล้วระลึกรู้กายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันละไม่ใช่ตามนะงั้นไม่เหมือนกันในสติปัฏฐานเลยใช้คําว่าตามเหมือนกันหมดเลย ตามเห็นกายเนืองเนืองกายานุปั ส, สนาปั ส, สนาคือการเห็นอนุวัตตามตามเห็นกายแต่คำว่าตามเห็นกายไม่ได้แปลว่าตามเห็นร่างกายนี่ความยากอยู่ตรงนี้พวกเราชอบไปตามเห็นร่างกายจริงๆเข้าคำว่ากายในในสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าที่ประชุมของรูปประธรรมและนามธรรมคือที่รวมของรูปประธรรมและนามธรรมนะเพราะฉะนั้นในขณะที่ตามรู้กายเนี่ย ในขณะนั้นต้องมีจิตเป็นคนไปรู้ไม่ใช่รู้กายอย่างเดียวถ้ารู้กายอย่างเดียวเพ่งอยู่ที่กายอย่างเดียวเช่นเพ่งท้องพองยุบเพ่งลมหายใจจะเป็นสมถะจะไม่ได้มีสติที่จะพร้อมไปเป็นสัมมาสติไประลึกรู้สภาวะจริงๆ ร, รู้ลักษณะจริงๆของกายของรูปรธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแลเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ถึงจะเรียกกายานุปัสสนากายแปลว่าที่ประชุม ที่ประชุมของอะไรของรูปธรรมคือส่วนที่เป็นวัตถุนี่ที่ประชุมของนามธรรมา ท, ท, ที่เรียกว่าจิตและเจตสิกนะงั้นเราจะไม่ใช่ว่ามีแต่ร่างกายอันเดียวมีแต่กายอันเดียวใช้ไม่ได้นะเป็นสมถะการนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีจะเรียนถามท่านอะค่ะดังนิดนะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงค่ะพอดีจะเรียนถามท่านอะคะ่ะว่าโดยปกติถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมมาค่ะ ในหนึ่งาทีเดี๋ยรู้สึกมันมีกายเวทนาจิตทำมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะต้องดูอะไรให้รู้ว่ากําลังสับสนอยู่กำลังสับสนรู้เลยจิตกําลังคุ้งสั้นค่ะแล้วพอดูไปดูมารู้สึกว่าตัวเองใจบีแต่ความโกรธแล้วก็มีตัวตนมีแต่หากิเลสเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงต่อสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อะลูกศิษย์หลวงพ่อต้องกิเลสเยอะนะถ้าบอกสามวันแล้วยังไม่มีกิเลสนั่นผาวนาไม่เป็น ไม่ต้องทำอะไรตามดูไปกิเลสทั้งหลายอัตตาตัวตนทั้งหลายเราไม่ได้เชิญมันมาเองรู้สึกไหมมันปรุงของมันมาเอง ด, ดูไปแล้วมันก็ไม่เห็นหายเลยค่ะอย่าอยากสิ <c oughs> ตรงที่อยากให้หายนั่นแหละทำให้โทสะเกิดอนะขอบพระคุณคนะน้ำมัสการ์ค่ะหลวงพ่อดิฉันนั่งปฏิบัติอยู่ <c oughs> ไม่ทราบว่าชุดถูกก็ือเปล่าค่ะ ที่ดิฉันปฏิบัติทุกวันนะคะแต่ดิฉันเพิ่งมาพบหลวงพ่อครั้งแรกอย่าบังคับมันก็แล้วกันอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจรู้เล่นๆไปก็ตกข้ามนะไหว้พระสวดมนต์ทำบ้างไหมทําทุกวันอ้อดีสวดมนต์ไปเรื่อยๆน ะ, ะแล้วก็สังเกตใจไปเอาละคั้งซ้ำมาเนี่ยใจไหลไปคิดแวบ ร, รู้สึกรู้ว่าใจหนีไปแล้วซ้ำพุโทโธพระกวานี้อีกแว บ, บหนึ่งรู้สึก ดังนั้นเราส่วนมลไปแล้วใจเราไหลแวบแวบแวบค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆเราไปสติจะเกิดเร็วค่ะค่อยฝึกนะกค่ะขอบคุณค่ะอ่านมาสการครับหลวงพ่อคือรู้ว่าออยากถามนะครับแล้วก็แล้วก็ยังถามอีกก็คืออย่างนี้สี่เวลาเราอยากถามรู้ว่าอยากถามนะเราก็เห็นเลยความอยากเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา อเรามีสติรู้เนี่ยความอยากจะดับต่อไปนี้เหลือเหตุผ ล, ลแล้วสมควรถามเราก็ถามเนี่ยไม่ได้ถามเพราะอยากแล้วถามไปเพราะที่ถามนี้คือว่าแต่เมื่อกี้อยากถามอีกแล้วนียหิกแว บ, บหนึ่งแล้วรับครับคือบางครั้งโกรธแล้วมันก็ยังแสดงออกไปอีกนะครับห<น>รืว่าโกรธ<น>แต่ว่ายังแสดงออกไปอีกแสดงออกทางกายทางวาจาใช่ครับเราต้องถือศีลไว้ก่อนนะคือคนซึ่งทําแต่สมถะเนี่ยจะเรียบร้อย ศีลไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่คนที่เดินวิปัสสนาเนี่ยนะต้องมีศีลไหมเพราะเราจะไม่เก็บกดกิเลสมันพุ่งขึ้นมาในใจเราไม่เก็บกดเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีศีล น, นะมันจะล้นออกไปทางกายทางวาจาดังนั้นต้องรักษาศีลไว้ก่อนสมมติว่าโกรธขึ้นมาอยากด่าเต็มทีแล้วมีสติรู้ว่าอยากด่านะยังไม่ด่ายังไม่พูดอะไรไว้ให้หายโกรธแล้วค่อยพูดะอะไรเงี้ยคุณครับธรรมสถารหลวงพ่อค่ะ คือก่อนที่จะได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะคะ อ, อยู่ดีๆมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าเนี่ยเข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจยอย่างมากเลยค่ะมันเป็นแบบทุกข์กระทมก็เข้าไปสังเกตดูว่าเอา๊ะมันเกิดจากอะไรไปหาสาเหตุไปวิเคราะห์นะคะว่ามาจากไหนก็ก็หาไม่เจอค่ะก็ลงไปคลุกอยู่กับมันก็ยังยิ่งทุกข์ข้าไปอีกตอนหลังมาฟังซีดีหลวงพ่อนะคะก็มีคนถามคานองนี้หลวงพ่อก็บอกว่า ทุกมาก็ให้รู้ของบางคนหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นสิ่งภายนอกมากระทบก็ให้แผ่เมตตาหรือของบางคนหลวงพ่อก็บอกให้แผ่ส่วน บ, บุญส่วนกุศลนะคะของโยมก็ทําบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกพอนานๆเข้าก็เบื่อที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะคะก็พอทุกมาก็สักว่ารู้เฉยๆรู้วางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอนุสัยกิเลสหรือว่ามันเป็นภายนอกมากระทบไม่ทราบอยากให้หลวงพ่อแนะนำคุณนะมันขึ้นมาเอง ด้วยความเคยชินนะที่มันสะสมไว้โทรศัพมันเยอะแล้วขึ้นมาแ ล, แล้วรูวร้วางรู้วางนี่ถูกแล้วรู้วางไปเลยเวลาที่อนุสัยมันทํางานขึ้นมาแล้วเรามีสติเราไม่ตอบสนองกิเลสอนุสัยนะั้นลงทุนแล้วแล้วก็ขัดทุนไปในที่สุดอนุสัยจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนกําลังลงนีกหนก็าหายของโยมเนี่ยบังคับตัวเองแรงไป กรธรรมัาตการหลวงพ่อเจ้าค่ะจะสอบถามท่านว่าออทุกวันนี้เนี่ยปฏิบัติเนี่ยถูกต้องตามจริตตัวเองหรือไม่เจ้าค่ะหน่อยนะไม่ต้องถามเนาะเหมือนกันหมดเลยใช่ได้ฝึกไปเรื่อยดีแล้วอย่าขี้เกียจนะเจ้าค่ะขอบคุณบางคนนะพอภาวนาพอเริ่มเป็นแล้วขี้เกียจขี้เกียจเราก็หายไปนานแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวแก่ๆแล้วจะมาฝึกใหม่แก่ๆแล้วฝึกยากนะ ก็ฝแต่สาวๆนี่แหละกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะใครรู้สึกเรื่อยๆนะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ชีวิตของเราในชีวิตเราเราลงทุนอะไรต่ออะไรตลอดเวลานะเพื่อปรารถนาประโยชน์คือความสุขอย่างเราไปเรียนหนังสืออะไรเนี่ยกะมีความรู้แล้วจะไปทํามาหากินมีความสุขไปทํางานก็หวังว่ามีความสุขไปมีครอบครัวหวังว่าจะมีความสุขแต่ความสุขอย่างโลกๆเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นตลอด เมื่อเราอาศัยสิ่งใดเราก็เป็นาธาตุของสิ่งนั้นเราไม่มีทางเป็นอิสระเลยแต่ถ้าเราหัดภาวนาเราจะมีความสุขอยู่ในตัวเองไหนไปไหนแล้วล่ะอ๋อดีภาวนาใช้ได้กราบธรรมสการ์หลวงพ่อครับอย่างเวลาที่เรากราบผ ม, ผมกระผมกราบพระพุทธรูปหรือว่ากราบรูปของครูบาอาจารย์อย่างเช่นครูอาจารย์มั่นครับจะเกิดจิต เป็นกุศล น, นะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นเพราะว่าแม้ท่านจะดับขันปรินิพานไปแล้วแต่พระคุณท่านก็ยังอังทนที่เป็นท่านไม่หายไปไหนนะเราเระลึกถึงเราก็สัมผัสอยู่ตรงนั้นเลยพระคุณของท่านก็ยังไม่สูญสลายไปไหนใช่ไหมครับไม่สูญสิ่งตราดใดที่มีคนนึกถึงถ้าอย่างนั้นกระผมขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยครับ ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงก็มีอายุยืนครับแล้วขอแปลกร่างกายนะเป็นขันนะขันเป็นส่วนของวิบากเป็นส่วนของผลกรรมให้ผลงั้นขันแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างขึ้นกับวิบากแต่ว่าอย่างวิบากไม่ดีให้ผลอยู่เนี่ยถ้าเราสร้าง กุศลอย่างแรงๆมันก็มีวิบากที่ดีเกื้อนหนุนขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้อมตะนะอย่างผู้เจริญอิทธิบาทเนี่ยอยู่ได้กับหนึ่งกับหนึ่งไม่ใช่เวลาตั้งแต่โลกเกิดจนโลกแตกคำว่ากับนี่หมายถึงอายุกับอายุกับก็คืออายุไขเฉลี่ยนั่นเองในขณะนี้อายุกับของคนยุคนี้คือ75็ดบห้าปี เพราะฉะนั้นถ้าเจริญอิทธิบาทนะก็อยู่ได้กับหนึ่งหรือกับกว่ากว่าอะไรเงี้ยนะมีคนหนึ่งนะชื่อดังตรินดังตรินเที่ยวดูดูดูดอ๋อองค์นี้สบายมีแต่ความสุขล้วนๆมาหาแล้วก็มีแต่ความสุขนะองค์นี้เจริญอิทธิบาทอยู่จิตต้องทรงฌานต้องอะไรอยู่เป็นภาระเหนื่อยนะ ง <laughs> <หล>ั้นยเที่ยวอาราธนาครูบาอาจารย์เยอะเลยเวลาพวกเรานภาวนาไปวันหนึ่งใจเราพรากออกจากขันเราก็จะพบสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานเนี่ยเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้า ต, ตานะมีความสุขล้นล้นอยู่นี่ถ้าใจของใครไปเห็นนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีภาระอะไรกับโลกเนะี่ยใจก็น้อมโน้มน้อมไปสู่นิพพาน เราจะทิ้งขันไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่านิพพานมีคุณนันยิ่งใหญ่ส่วนขันเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษงี้นบางคนสงสัยว่าเเป็นพระอรหันต์แล้วบอกไม่ไปบวชจะต้องตายในวันนั้นอะไรเงี้ยหรือบางคนบอกตายในเจ็ดวันใครๆก็ตายในเจ็ดวันทั้งนั้นแหละวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ใช่ไหมบางคนบอกตายในหนึ่งวันก็ถูกแล้วมันก็ต้องตายในวันใดวันหนึ่ง S <S <S นี่บางคนก็เลยไปคิดว่าการเป็นพระอรหันต์เนี่ยอรหัต ส, สมักอรหัต ส, สผลนี่เป็นของไม่ดีทำให้เราต้องตายความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้ น, นร่างกายนี้ต่างหาก่ะไม่ดีพอสำหรับอรหัตสมรคอรหัตสผลเป็นของไม่ดีพอฉะนั้นไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วการเป็นพระอรหันต์ไม่ดีไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ดีพอนะฮนะ แต่ถ้าใจมีภาระใจไม่หมายถึงว่ายังมีปณิธานยังจะทํางานอยู่อะไรเงี้ยก็โน้มน้อมใจเข้ามาอยู่กับขันยังต้องออกมาเกลือนกลั้วกับขันที่เป็นกองทุกอยู่มีควรเป็นนิมนต์หลวงปู่เทศนะบอกหลวงปู่ขอให้อยู่ร้อยปีที่ล่าตะเกียะบอกไอ้คนนิมนต์มันไม่เคยแก่มันทุกข์นะ เอาไปถึงไหนล้วมาสกาค่ะหลวงพอ่อค่ะก็คือเพิ่งเคยมากับหลวงพ่อครั้งแรกะค่ะแล้วก็ปฏิบัติมาได้ประมาณสองสามเดือนนะคะใครสอนให้ละ่ะ <c oughs> ก็ไปฟังที่บ้านอารียค่ะก็มีอาจารย์สุรวัตรแล้วก็พี่เอกค่ะเดี๋ไปให้อาจารย์สุรวัตรสอนไป <c oughs> บอกว่าให้อาจารย์สุรวัตรแก้ให้หน่อย <c oughs> จิตไปติดการตรึงไว้นิ่งๆเนี่ยจะทํำยังไงดีนะ ก็ส่วนใหญจะชอบถอนหายใจบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้นะถอนไปถอนใจไปหายใจอย่างผ่อนคลายให้ใจอย่างมีความสุขเวลาที่คิดถึงการปฏิบัติแล้วถ้าจะใช้ลมหายใจนะให้หายใจออกก่อนอย่าหายใจเข้าก่อนถ้าหายใจออกก่อนจิตจะผ่อนคลายถ้าหายใจเข้าก่อนจิตจะแน่นๆน่อย่าไปหายใจเข้าก่อนหายใจแล้วมันแรงใจจะแข็งทื่ออ้าวมีอะไรอีก ก็รู้สึกเวลาตัวเองรู้เหมือนรู้แบบเสแสร้งอะค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละให้รู้ทันอย่างนั้นน่าดีแล้วน ะ, ะอีกหน่อยมันก็ไม่แกล้งหรอกมันจงใจไปครับจงใจแต่ว่าขณะนี้ยมันเป็นสภาวะที่ผิดกว่าปกติมันตื่นเต้นเนอะใช่<ๆ>ตื่นเต้นแล้วเราก็ไปกดมันแต่สังเกตไหม ใ, ใจเรากระจายกระจัดกระจายใจมันไม่ย้อนเข้ามารู้กายรู้ใจในขณะเนี้ยมันกระจายกระจายออกไปหมด เนี่ตอนนี้มันหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ลงไปเป็นเป็นปัจจุบันนะรู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมจะหนีไปคิดมันก็หนีของมันเองเนี่ยเมื่อกี้หลงเลยรู้สึกไหมหลงว่าบไปเลยหลงไปทางตาหลงไปทางหูเนี่ยหลงไปทางใจรู้สึกไหมทีเนี่ยมันหลงไปให้รู้สึกไปเรืรู้ว่าหลงนะไม่ใช่ห้ามไม่ให้หลงไม่ห้ามนะการปฏิบัติไม่มีคําว่าห้ามถ้าห้ามแล้วเก็บกดถ้ารู้แล้วไม่เก็บกด กิริยามีคำเดียวคือคำว่ารู้นะรู้ก็มีสองงานรู้สภาวะด้วยสติรู้ลักษณะด้วยปัญญานะรู้สภาวะเช่นความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นรู้ลักษณะก็คือเห็นว่าความโกรธมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราถ้ารู้ด้วยสติด้วยปัญญานี่เป็นวิปัสสนาขอบคุณค่ะ นะคือจริงๆโคต้ามหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อถามว่ามีใครกล้าให้หลวงพ่อถามบ้างเนี่ยมีคนยกมืออยู่คนหนึ่งช่วยยกเอาไหมไปให้ออันนี้ให้คนสุดท้ายนะครับสวัสดีกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ เวลาส่งกันบ้านทีไรสิ่งที่รู้ชัดที่สุดคือรู้ว่าหัวใจเต้นค่ะออดีอย่าให้หยุดนะไม่หยุดค่ะค่ะที่เราวหลวงพ่อก็บอกไม่ให้หยุดตอนนี้ก <S <S <peso> <S ็ยังไม่หยุดค่ะอืมอก็วันนี้อยากส่งกันบ้านเรื่องความอยากค่ะคือเป็นคนที่ชอบกินระหว่างวันนะคะหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อแต่ก่อนอ่ะแต่รู้สึกตัวทีไรแบบขนมเคี้ยวอยู่ในปากทุกทีเลยค่ะเอหลวงพ่อกว่าจะรู้นะหมดไปสองจานแล้ว หรือแบบว่าบางทีรู้ทีแรกอุ๊ยกำลังเดินไปหยิบมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงหลังๆก็ดีขึ้นนิดนึงคือรู้ก่อนที่จะฉีกถุงขน ม, มอะ่ะหลวงพ่ออ่ดีนะฝึกไปเรื่อยๆนะไดเอทไปได้ตัว <laughs> แต่ทีนี้คืออยากให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านว่าช่วงนี้เผลอไปมากหรือเพ่งไปมากหรือเปล่าอ่ะค่ะฟุ้งซ่านไปนิดนึงค่ <c oughs> นะทําความสงบเข้ามานิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่า <c oughs> เยอะเยอะเดี๋ยวกลับไปเพ่งอีกขอบคุณค่ะนะ เอาว่าจะให้หลวงพ่อถามไม่ใช่หรือหลวงพ่อถามได้เลยค่ะอะไรชื่อว่าหนึ่งเอาแล้วถามไปงั้นแหละเน <ลง S 2> าะตอบไม่ได้หรอก<ะ>นะขอบพระคุณค่ะมีนะมีปริภาชกผู้หญิงเนี่ยเรียกปริภาชิกาที่เขาไปท้าคนาโตโตวาธีเรื่อยๆเอากิ่งว่าไปปักถ้าใครจะโตด้วยนะั้ก็มาถอนกิ่งนี้วันหนึ่งภาษาริบุตรจะไปรับคาท้า แกถามภาษาริบุตรนะภาษาริบุตรตอบได้หมดเลยถึงตาภาษาริบุตรถามบ้างภาษาริบุตรถามว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งแกงงเลยตอบไม่ถูกขอให้เฉลยภาษาริบุตรบอกจะเฉลยให้ก็ได้แต่ต้องบวชซะก่อนในที่สุดก็มาบวชนะแล้วก็พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่ต้องไปถามภาษาริบุตรว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งอ่ะเชิญแล้วหลวงพ่อไม่เฉลยแล้วครับ ของจริงๆแนละ้วก็เป็นหนึ่งทั้งหมดนะจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งนะเอ อ, เ, อ, อเชิญญาติโยมทุกท่านนะครับร่วมกันถวายทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทางธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตราบสิ้นกาลนานเถรสาธุยถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเฟตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันรโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินาสตู มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะาอภาิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขขังพละธนานะท่นานนะที่พระบอกอายุวันโนสุขังพละความจริงไม่ได้ใช่พร น, นะเป็นการบอกว่าคนไหนที่เคารพนอบน้อมในผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับน้อมเนี่ยจะมีอายุวรรณะสุขข่าวพละ